ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่นี่ให้นึกว่าเราไม่ได้ทำการงานอย่างอื่นทั้งหมดการงานทางกายยุติลงแล้ว มันยังการงานทางใจถึงแม่กายจะนั่งนิ่งนิ่งอยู่แต่ใจมันไม่นิ่งแลบบ้นี่เรามาทำใจให้มันนิ่งต้องให้นึกอย่างนั้นถ้าไม่กำหนดลงอย่างนั้นแล้วใจนี่มันจะไม่หยุดนิ่งเลยเมื่อเรามีจุดประสงค์อย่างนั้น ก็น้อมสติลงไปหายใจเข้าก็เพ่งลงไปให้ถึงความรู้สึกหายใจออกก็พยายามทำความรู้สึกโยที่ความรู้อย่าไปรู้อย่างอื่นรู้อยู่ที่รู้นั่นแหละ ถ้ามันอยากจะคิดไปทางอื่นก็สะกดไว้มันต้องช่วยตัวเอง <c oughs> ต้องสะกดไว้ด้วยสติ <c oughs> ด้วยขันติความอดทนความอดทนนี่นะ่ะชื่อว่าเป็ น, นยอดแห่งธรรมทั้งหลาย อะไรอะไรก็สู้ความอดไม่ได้ถ้าขาดความอดซ้อย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่เป็นจิตก็ไม่สงบเพราะกิเลสมันรบ ก, กวนกิเลสมันผลักดันให้จิตคิดมันไม่ให้หยุดแบบนี้เราก็สร้างขันติความอดทนขึ้นมา สกัดกั้นมันไว้ไม่ให้มันคิดความคิดนี่มันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสโดยเฉพาะเรื่องกา ร, รมวิตกมันชอบคิดไปในทางความรักความใคร่นั่นแหละเพะนั้นเราต้องรู้ตัว หรือถ้าไม่คิดไปในทางความรักมันก็คิดไปในทางความชังมันท่องเที่ยวอยู่นี่แหละจิตใจอันนี้นะเราต้องรู้ทางเดินของจิตเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วแล้วก็สะกดมันไว้ไม่ยอมให้มันคิดไป ตัวเองนั่นแหละไปว่าแล้วนะอดกั้นไม่คิดเพราะว่าจิตมีดวงเดีย ว, วมันไม่ใช่มีหลายดวงนะอ่ะตัวเองไม่เป็นตัวเองแล้วมันไม่ได้ดะนั้นต้องรู้ตัวจะรู้ตัวได้ก็เพราะว่าอาศัยสตินี่แนหะมันยังเข้าไปถึงจิตโดนถึงความรู้เนื้ ถ้าสติไม่ยังเข้าไปถึงความรู้แล้วมันก็ห้ามจิตไม่อยู่นันเนถ้ามีแต่จิตเฉยๆมมนมีสติประคองอยู่แล้วจิตนี่มันไม่ยอมหยุดนิ่งเลยต้องสังเกตดูให้มันรู้ mm hmm. เมื่อสติมันยังเข้าไปถึงจิตแล้วจิตมันก็หยุดคิดทันทีเลย เราสังเกตเอาตรงนั้นที่จิตมันหยุดคิดนี่เพราะอะไรหนอนี่นะเมื่อเรากำหนดดูก็รู้ได้เพราะขณะนั้นน่ะสติมันประจำอยู่กับกจิตเลยมันไม่ระลึกไปทางอื่นต้องให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจวิธีนี้แล้วแม่นจ ะ, จะเจริญกรรมฐานอย่างอื่นใดมันมันก็ จเจริญไม่ได้เช่นถ้าจะบริกรรมพุโทโธอย่างนี้มันก็พุโทโธวิ่งออกนอกนู้นมันไม่ได้พุโทโธอยู่ภายในถ้าควบคุมจิตได้แล้วอย่างนี้นึกพุโทโธก็พุโทโธก็อยู่กับความรู้อันนั้นแหละความรู้อยู่ไหนพุโทโธอยู่ตรงนั้นเช่นนั้นมันจึงได้ผลจิตมันจึงสงบลงได้ หรือกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะถ้าไม่สกัดกั้นจิตนั้นให้นิ่งอยู่ก่อนมันก็จะไม่ไม่สามารถที่จะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ได้ตลอดไป่ะเดี๋ยวมันก็คิดไปทางอื่นโน่นแหละมันไม่จับอยู่ลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นต้องสกัด กั้นความคิดความนึกทั้งหลายไว้ให้ได้ต้องสู้กันกันกบกิเลสให้นึกว่าเราต่อสู้นะการภาวนานี่นะพูดกันตรงๆนะเราทำพิธีต่อสู้กับกิเลสหวังว่าที่จะเอาชนะกิเลสมไม่ใช่อย่างอื่นได้ทีนี้ถ้าว่าบุคคลไม่ภาวนาแล้ว ปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามกระแสะของกิเลสนั้นกิเลสมันก็ไม่คุกคามจิตใจเท่าไรแล้ววะนี้เพราะว่าไปตามอำนาจอานาจของมันแล้วมันก็ปล่อยให้จิตเป็นอิสระและ้วคิดไปเรื่อยเผยไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ถือว่าตัวสบายอย่างนี้บางคนนะถือว่าตัวสบายได้คิดเพลินไปล้วก็นึกว่าสบาย นึกว่าใจตนไม่เป็นอะไรแท้ที่จริงแล้วนั่นแหละมันกำลังเดินทางไปหาความทุกข์ความเดือดร้อนใจทีแรกนี่มันมันไม่ทุกข์ใจจริงเนี่ยไปไปแล้วนะเมื่อกิเลสอันนี้มันเพาะตัวกันเข้ามีกำลังมากเข้าไปแล้วมันก็เผาจิตให้ร้อนแล้ววันนี้น ะ, ะมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นอ่ะก็จึงอาศัยความอดกั้นทนทานนี่นะก่อนอื่นนะเป็นหลักเลยต่อจากนั้นไปเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็ต่อเนื่องกันไปได้มันก็ไม่เผลอหรือถ้าจะบริกรรมพุโทโธอย่างนี้พุโทโธมันก็ต่อเนื่องกันไป ไม่ขาดสายอันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นที่เราจะต้องทำใจให้สงบต้องทำลงไปจริงๆทำเล่นไม่ได้เรื่องสะกดจิตให้อยู่ภายในนี่นะสำคัญนะถ้าใครสะกดจิตให้อยู่ภายในไม่ได้แล้ว ทำยังไงใจมันก็ไม่รวมลงไม่สงบเพียงสกัดจิตให้ตั้งอยู่ภายในนี่ยังไม่ใช่สมาธินะยังแต่แต่ว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นทีนี้จิตที่มันเคยยึดถืออารมณ์ต่างๆไว้แต่ก่อนนั้นอาศัยตปะธรรมคือความอด ทนอดกั้นอาศัยสติประกอบเข้าไปจิตมันไม่อ่อนแอมันเข้มแข็งแล้วมันไม่คิดส่งไปทางอื่นแล้วมันก็หยุดนิ่งอยู่ภายในนี่ทับกิเลสหรืออารมณ์ต่างๆที่จิตมันยึดถือไว้นั่นกิเลสล้วนั้นมันทนอยู่ไว้ได้มันก็ถอนตัวออกไป หรือว่าอารมณ์ต่างๆที่มันค้างอยู่ในจิตมันก็ระ ง, งับไปถอนไปเพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมัน <c oughs> พออารมณ์ต่างๆเหล่านั้นถอนออกไปแล้วมันจะเกิดความรู้สึกเบาขึ้นมาไม่อึดอัดทีแรกมันอึนอดอัดแหละพอเมื่ออารมณ์นั้นถอนออกไปแล้วมันจะเบาปลอดโปร่งขึ้นมา เมื่อมันเบามันโปร่งแล้วแล้วมันก็รวมลงได้อเมื่อมันรวมลงไปเนี่ยก็ไม่ไม่ต้องได้สะกดอะไรแบบนี้นะมันเป็นเองมันนะบารีเมื่ออารมณ์ต่างๆเนี่ยมันระงับไปแล้วมันมันก็รวมลงไปอยู่ที่เดิมของมันนะจิตนี่นะมันอยู่ที่เดิมของมันทีนี้เมื่อมันยึดอารมณ์ต่างๆไว้อยู่นี่มันก็ฟูขึ้นมา มันเป็นอย่างนั้นให้สังเกตดูดังนั้นเมื่อจิตมันเบามันโปร่งแล้วมันรวมตัวลงไปเป็นหนึ่งลงไปอ่ะนั่นแหละมันถึงเป็นสมาธิแบบนี้น ะ, ะแล้วก็ต่อจากนั้นก็มีแต่สติประคองไว้ไม่ได้อดไม่ได้กลั้นอ่าไม่ได้คมแับนี้นะมันได้คมแต่ทีแรกนี่แหละที่มันยังไม่รวมลง ัยังไม่ละอารมณ์ต่างๆนี่นะเราต้องได้ช่วยคมช่วยอดเบ่งั้ น, นแล้วประกอบกับปรับลมหายใจนี่ให้มันสม่ำเสมออย่าไปหายใจ แ, แรงอย่าไปกั้นลมหายใจอันนี้ก็สำคัญพยายามหายใจให้สบายสบาย ค่อยผ่อนไปทีละน้อยละน้อยให้ลมหายใจมันค่อยละเอียดเข้าไปโดยลำดับอันนี้นับว่าเป็นกรรมวิธีสำหรับฝึกใจให้เป็นสมาธิคือให้ตั้งมั่นเป็นบทบาทเบื้องต้นสมาธินี้นับว่าสำคัญนะ ต้องให้เข้าใจความสำคัญของสมาธิก็ก็เมื่อจิตนี้ไม่ตั้งมั่นแล้วมันทำดีไม่ได้คนเราเนะ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของชีวิตนี้ได้ตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงว่ามันสำคัญนั่นแหละอันสมาธินี่นะ ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยการนั่งภาวนาอย่าไปรีบอยากจะรู้โน้นรู้นี้ทันทีต้องปรับจิตให้มันเน่วอยู่ซะก่อนมันมันเน่วแน่จริงเหลือมันก็รู้ได้ตอนที่เราไม่ต้องข่มมันไม่ต้องอดกั้นอะไรมันก็อยู่ได้โดยลำพัง เพียงแต่ปรับลมหายใจเข้าหายใจออกให้มัน ค, ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอย่างนี้นะมันก็รู้ได้แล้วว่าจิตมันตั้งลงแล้ววันนี้นะแล้วอีกอย่างหนึง่งมันรู้สึกอิ่มต่ออารมณ์อิ่มต่อความคิดต่างๆลักษณะของจิตที่มันรวมลงเป็นสมาธินะมันไม่อยากคิดไปไหนมันเบื่อ มองเห็นว่าการคิดเลื่อยเปืยไปอย่างนั้นไม่มีความสุขไอ้ความที่จิตนิ่งอยู่พร้อมด้วยสตินี่อันนี้มันสุขสบายมากไม่มีกังวลอะไรจิตใจนี้ถ้ามันไม่มีกังวลอะไรแล้วมันก็สบายที่มันไม่สบายนั่นเพราะมันกังวลห่วงหน้าห่วงหลัง น, น่นน่นนี่นี่อยู่นั่นเลย นี่เมื่อเมื่อเป็นอยู่เช่นนั้นแล้วก็หาความสุขไม่ได้แคะนั้นให้พากันรู้จักความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ทำใจสงบลงนั่นแต่ว่ามันมันก็แท้จริงไปชั่วคราวก่อนเพราะว่าสมาธินี่เมื่อไปไปแล้วมันมันรู้สึกถอนได้ ทีนี้เมื่อสมาธิมันถอนออกมาก็ต้องเจริญปัญญาต่อคือว่ามันมันต้องการอยากรู้นั่นอยากรู้ความจริงของชีวิตนี่เมื่อจิตมันสงบลงไปแล้วเมื่อมันต้องการอย่างนั้นก็เอาอะไรว้านี่พิจารณากันการพิจารณาอะไรก็ต้องพิจารณาอยู่ในความสงบนั่นแหละอยู่ในปัจจุบันนั่นนะ อยู่ในอยู่ในความรู้วันนั้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่ส่งจิตออกคิดส่งออกไปข้างนอกนู่นไม่ใช่นะถ้าแบบวิธีหนึ่งกับวิธีเพ่งกระสินวิธีเพ่งกะสินส น, นี่มันทำได้ยากคนไม่สามารถจริงๆริงทำไม่ได้ต้องเพ่งเอาจิงริงเพ่งวัดตัวในหนึ่งภายนอกเมื่อมันติดตาติดใจแล้วก็ จึงควรน้อมนิมิตอันนั้นเข้ามาภายในให้มันมากระจ่างอยู่ภายในนี่ถ้าไม่เพ่งกสินอย่างนั้นก็ไม่จําเป็นต้องเพ่งออกไปนอกพยายามเพ่งอยู่ภายในให้มันกระจ่างอยู่ภายในนี่ถ้ามันกระจ่างอยู่ภายในนี่มันก็เห็นอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าหลายส่วน เพราะว่าจิตนี่เมื่อมันมัวหมองอยู่ด้วยกิเลสอารมณ์ต่างๆแล้วมันแม้จะอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้มันก็ไม่สามารถจะเห็นกายอันนี้ได้เพราะฉะนั้นนะพระพุเทธเจ้าจึงสอนให้เพ่งอยู่ภายในนั่นเพ่งไปเพ่งมาอารมณ์ ที่ใจมันยึดถือไว้เนะี่ยมันระ ง, งับไปแล้วจิตก็ผ่องใสขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตผ่องใสแล้วเราจะนึกดูอวัยวะร่างกายภายในนี่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็เห็นได้หรือว่าระลึกดูหลายส่วนก็เห็นได้พอนึกเท่านี้แหละภาพของอวัยวะส่วนนั้นก็จะปรากฏทันที เช่นึกถึงกระดูกสันหลังอย่างนี้นะกับซี่โครงอย่างนี้กระดูกสันหลังกับซี่โครงก็จะปรากฏนะคือว่าภาพของกระดูกสันหลังและภาพของกระดูกซี่โครงะจะปรากฏในใจให้ใจได้เห็นแต่กระดูกซี่โครงกับซี่โครงกับโครงกระดูกนะั่นนหะ มันเห็นได้อย่างนั้นแล้วมันก็เพ่งอยู่นั่นเพ่งพินิษต์นี่แบบนี้นะเออคนเรานี่เมื่อตายลงไปจิตวิ ญ, ญญาณออกจากร่างนี้แล้วถ้าไม่เผานะทิ้งไว้บนดินนี่เนื้อนังมังสาในเลือดเนื้ออะไดก็เบื่อเน่าละลายออกไปหรือไม่ฉช่นนั้นก็มีสัตว์อื่นมา กัดมากินไปเป็นพวกสุ น, นัขพวกกาพวกแรง้งต่างๆพวกนั้นแหละมันมาจิกกินไปมันก็หมดไปหมดไปในที่สุดก็เหลืออยู่แต่ร่างกระดูกเท่านี้เองกระเท่งดูแล้วก็สอนตนอยู่ในนั้นแหละนี่ดูสิ คนเราเนี่ยแต่เมื่อบุญกรรมยังหล่อเลี้ยงชีวิตนี่อยู่ร่างอันนี้มันก็ยังไม่แตกกระจ า, ะจายอดตา ก, กันพอหมดบุญหมดกรรมที่หล่อเลี้ยงอุปธรรมบำรุงรูปกายอันนี้ไ้แล้วร่างกายอันนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยผลสุดท้ายก็เหลือแต่โครงกระดูกเท่านี้เช่นไหนแต่จึงไปหลงรักหลงชังนักหนา หมายจึงจะไหนจึงไปปรารถนายิ่งนะักอกระสอนตนเข้าไปอย่างนี้อันนี้อท่านเรียวกว่าปัญญาสอนจิตเข้าใจเมื่อเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วมันถ้าเกิดอุบายขึ้นอย่างว่านี่แหละถ้าใจยังไม่เป็นสมาธิแล้วอุบายต่างๆนี่ไม่เกิดแล้ว เมื่ออุบายมันเกิดมาแนละ้วมันก็มาสอนจิตนี่จิตนี่ก็ได้นิพิธาความเบื่อหน่ายในร่างกายอันนี้จะไม่เบื่อหน่ายยังไงเล่าก็มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหมายเอาดวงจิตนี่แหละมาอาศัยอยู่ในสภาวะธาตุอันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรแล้วก็ทั้งโศกโคลกโศกระปคลกด้วย มีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามแต่เมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็เบื้อหนายนั่ น, นในระยะนี่แหละที่ท่านกล่าวไว้ว่าในระหว่างสมถะเกียรติปัฏานี่นะมันจะเกิดวิปัสนูขึ้ น, นบางทีมันก็มันจะเกิดเป็นภาพมาหลอกหลอนเข้าไปให้เกิด ความเห็นเคลื่อนคาดจากความเป็นจริงไปคือว่ามันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นแปลกแปลกต่างๆขึ้นมาหรือไบางทนก็เกิดสีเกิดแสงอะไรแวววาวขึ้นมาทำให้เกิดความปลื้มใจแล้วก็สำคัญว่าตนได้บรรลุธรรมอันวิเศษพราะไปเห็นแสงเห็น สีต่ตางๆหมดนั้นขึ้นมาแล้วนึกว่าเป็นแสงธรรมสีธรรมอันวิเศษนั่นนี่อันนี้แหละมันมันตีท่านเรียกว่าพิปปลาดนะให้เข้าใจถ้ารู้เท่าแล้วไม่เป็นไรถ้ามันเกิดเป็นแสงสว่างเป็นสีเขียวสีขาวสีแดงอะไรขึ้นมาก็ตามไนยะถ้าหากว่า รู้เท่าว่ามันเป็นเพียงแค่นิมิตไม่ใช่ธรรมของจริงอย่างนี้เมื่อรู้เท่านี้นะเราเราก็ไม่ใส่ใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันเมื่อมันปรากฏอยู่ช่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หายไปอย่างนี้ใจก็เบิกบานยิ่งขึ้นแหละถ้าหาว่ามันเกิดแสงสว่างอย่างว่านั่นนะ ถ้ารู้เท่าก็เป็นวิปัสนาถ้าไม่รู้เท่าก็เป็นวิปัสนูปะกิเลสไปทำให้ไม่ได้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงได้นี่ต้องให้เข้าใจไว้แต่บางคนมันก็ไม่เป็นไม่เกิดวิปัสนูปะกิเลสอย่างนี้ขึ้นมาก็ก็มี พิจารณาไปก็เห็นตามสภาพขอาเป็นจริงไปเลยส่วนที่เป็นรูปก็ดีส่วนที่เป็นนามก็ดีอย่างนี้แหละส่วนที่เป็นรูปมันก็มีการแตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละส่วนที่เป็นนามธรรมามันก็เกิดดับเกิดดับอยู่กับจิตนี้แหละเพราะนามธรรมามันเป็นอาการของจิตเกิดขึ้นที่จิตนี้เอง จิตไปสัมผัสกับร่างกายอันนี้แล้วก็เกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณขึ้นมามันเป็นยางไงทีนี้ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อรูปแตกน้ำก็ดับอืมันก็เป็นความจริงเนี่ยเมื่อรูปอันนี้รูปกายอันนี้ยมันใช้การไม่ได้แล้วมันธาตุสีน่นี่มันแตกสามัคคีกันลงไปแล้ววันนี้ความรู้สึก ตั้งแต่บนศีรษะนั้นลงมาจนถึงเท้าไม่มีเลยว่าเมื่อจิตยังไม่ถอนออกจากร่างนี้มันก็จะไปรู้สึกอยู่แต่ในหน้าอกเท่านั้นเลยพอจิตนี้ออกจากร่างนี้แล้วความรู้สึกก็าหายหมดออย่างนี้นะดังนั้นนะ่ะก็ต้องกําหนดรู้ว่านามัธรรมนี่เมื่อมันรูปมีอยู่ก็อาศัยรูปอยู่ พอรูปนี่มันแตกสลายลงน้ำเมา่อทมันก็ดับไปตามกันวิปัสสนาญาณต้องกำหนดรู้ความเกิดความดับของรูปของนามอย่างนี้ต้องรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลเรียกว่าละเสียได้ซึ่งอัตตานุทิฏฐิความที่เห็นว่าขันหานี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา ก็ระงับไปที่ว่าความเห็นอย่างนั้นมันก็ดับไปความรู้ความเห็นที่ว่านามรูปนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันก็เกิดขึ้นมาแทนแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันกระจ่างอยู่ในใจนั่นเสมอไปพิจารณาทีไรเห็นแจ้งแล้วก็ปล่อยวางลงไปใจมันรวมอยู่พร้อมด้วยความรู้ความเห็น ในไตรลักษณะญาณ น, นั่นแหละปรากฏอยู่ในปัจจุบันเสมอเสมอไปเป็นอย่างนี้การเจริญวิปัสนาไม่ใช่ว่าจะต้องคิดเรื่อยเปื่อยไปไม่หยุดยั้งเลยอย่างนี้ไม่ถูกเมื่อคิดเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งอะไรต่ออะไรตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางนะ รอยวางและจิตก็รวมอยู่ในปัจจุวันนี่พร้อมด้วยงานความรู้อย่างว่านั้นแหละทีนี้เมื่อมันรวมอยู่นั่นน่ะเห็นอะไรก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดท่านจึงเรียกว่าไตรลักษณะญาณ น, นั่นแหละความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันไปรวมอยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นอะไรมาปรากฏในมโนทวานะโก เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขณะเดียวนั้นเลยไม่ยืดยา้งแล้ววันนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันบำเพ็ญให้เป็นไปในจิตของตนดังแสดงมาพวกกิเลสมันก็มีอำนาจของมันนะบัดนี้เราบวดวันนี้เราเพื่อว่าหวังว่าจะมา กำจัดกิเลส